เรื่องอธิกะสังคลิตกระเพดหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรดมีแต่ร่างกระดูส2งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยือ่อกระแตเขตกรุงราชครื้ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่ภูเขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะ ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินทบาตในกรุงราชครืดด้วยกันพระลักษณะรับคําแล้วขณะที่พระหมหาโมคลานะกําลังลงจากภูเขาคิจกูฏถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลานะ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 แล้วนั่งลงนที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิชกูดในกรุงราชครื่นี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นอัติสังขลิ ก, กเปรต ลอยขึ้นสู่กลางอากาศผงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไข่จิกถึงเยื่ยแย้งเนื้อที่ติดอยู่ตามระหว่างซี่โครงสบัดไปมาจนมร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่พิษุททั้งหลายพากันตำหนิ พระนามโพลทนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสูทั้งหลายมารับสั่งว่าพิสูทั้งหลายสาวกทั้งหลายมีจักสุญาณก็ยังมีอยู่พระสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นอัตติสังคลิกกระเปิดนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้น